ที่ส3บสาคนเราจะอายุยืนก็เพราะความไม่โกรธเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่สิบสี่กรกฎาคมสอง1ห้าสิบอดในคอลัมน์หน้าหกซึ่งในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ลงข่าวคนอายุยืนชื่อในายใจคำบุญเรืองอายุร้อสิบปดปีในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ได้ลงภาพถ่ายของในายใจคำบุญเรืองไว้ด้วยส่วนประวัตินั้นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้กล่าวไว้ว่าสุภาพบุรุษผู้มีอายุยืนนานถึงร้อยสิบแปดปีนี้ได้แก่ในายใจคำบุญเรืองราษฎรอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ในายใจคำบุญเรืองเกิดเมื่อปีชวดพุทธศักราช 2,393 เกิดที่บ้านร้องดินม้อตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์มีดาได้แก่แสนหลวงอินทจักรเป็นหัวหน้าปกครองบ้านร้องดินม้อบ้านต้นมืน่นบ้านต้นพึ่งและบ้านทับปลาของอำเภอท่าปลาปัจจุบันในใจคําบุญเรืองอาศัยอยู่กับหลานเหรีญและหลนที่ท่าปลาปรากฏว่า มีข้าราชการพ่อค้าและราษฎรในถิ่นนั้นและต่างถิ่นไปเยี่ยมคาระวะสังสรร น, นาถึงประวัติและเรื่องราวของบ้านเมืองไม่ได้ขาดสายในใจคำบุญเรืองร่างกายยังแข็งแรงเดินเก่งหลังค่อมเล็กน้อยหูดีไม่หนักและตึงเช่นกับคนมีอายุรายอื่นๆสายตายังดีอ่านหนังสือได้สามภาษา โดยไม่ต้องสวมแว่นสายตาคือนหนังสือไทยหนังสือลาวและภาษาขอมยานฉาดฉานชัด้อยชัดคำเช่นเดียวกับการสนทนาปราศัยกับทุกคนที่ไปเยี่ยมเยียนปกติในใจชอบทำงานไม่ชอบอยู่เฉยเฉยเช่นจักสารกวาดลานบ้านทำความสะอาดบ้านลูกหลานให้พักผ่อนนอนอยู่กับบ้านไม่ยอมเชื่อฟัง ถ้าว่างจากกิจอื่นในใจคำบุญเรืองชอบเดินออกจากบ้านไปหลายกิโลเมตรเป็นการออกกำลังกายจนถึงเวลาค่ำลูกหลานเหลนญต้องออกตามค้นหากันจ้าละวันเพราะเป็นห่วงว่าจะหลงตระเวเข้าป่าเกิดอันตรายขึ้นแต่ในใจคำบุญเรืองก็คงกลับได้ทุกครั้งเนื่องจากสติยังดี ไม่หลงเลื่อนเช่นผู้เท่าทั้งหลายไม่เคยแสดงความอิดโรยและเหนื่อยหน่ายต่อชีวิตรักสงบไม่ตื่นเต้นเมื่อมีผู้สรรเสริญและนินทาอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นเคารพต่อเหตุผลไม่งมงายเชื่อถือสิ่งที่ไม่มีสาระไม่ชอบดื่มโุรารับประทานอาหารเป็นเวลาและหลับนอนเป็นเวลา ไม่ชอบนอนกลางวันถือมติว่ากลางวันมีไว้ให้ตื่นกลางคืนมีไว้ให้นอนกลางวันมีงานก็ทำไปถ้าไม่มีงานทำก็ออกเดินเที่ยวเตรไปเป็นการออกกำลังในใจคำบุญเรืองแต่งงานเมื่ออายุ28ปีพันยาได้แก่นางทิพย์บุตรีของแสนคำและนางพิมพ์ มีบุตรร่วมกันสามคนนางทิพพัญญาถึงแก่กรรมเมื่ออายุในใจคำบุญเรืองได้76สปีและต่อมาบุตรชายหญิงก็ถึงแก่กรรมทั้งสามคนปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานได้แก่นายทองคำพรห ม, มรังสีอายุส5สิบห้าปีอดีตเป็นครูโรงเรียนประชาบาลอยู่นาเภอท่าปลา ซึ่งลาออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวมีบ้านเรือนอยู่ไม่ห่างไกลที่ว่ากาญงเพื่อนักเมื่อมีผู้ไปเยี่ยมเยียนในายใจคําบุญเรืองนั่งสนทนากันอยู่ได้เป็นเวลานานแขกผู้ไปเยี่ยมเยียนนั่นแหละจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาต้องลาไปเสียก่อนยังไม่เคยได้ยินในายใจคําบุญเรืองบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยประวัติของในายใจ ที่ข้าพเจ้าคัดลอกออกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้ท่านจะเห็นว่าคนที่จะมีอายุยืนจะต้องมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่โกรธง่ายและถึงแม้จะโกรธก็หายเร็วความอาฆาตพยาบาทไม่มีและจะต้องเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่อการสรรเสริญและการนินทาเป็นคนชอบทํางานไม่ชอบอยู่เฉยรักความสงบ เป็นคนมีคุณธรรมคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นและจะต้องมีมานานแล้วตั้งแต่ชาติก่อนซึ่งหมายความว่าพอเกิดมาก็เป็นคนมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เกิดที่ว่าต้องมีมาตั้งแต่เกิดนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่สุดทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนไหนเพื่อนเดิมเป็นคนโกรธง่ายเมื่อโกรธแล้วก็ฝังอยู่นาน นึกขึ้นมาทีไรก็ไม่ค่อยจังหายโกรธคนประเภทนี้ถ้ามหัดเอาตอนที่มีอายุมากมักจะไม่ค่อยสำเร็จนอกจากจะต้องใช้ความมุอสาหาัภาคเพียนจริงๆแต่ถึงกระนั้นเพราะเหตุที่วิบากเดิมเป็นวิบากที่ไม่ดีวิบากอันนี้ได้วางรากฐานของชีวิตทางร่างกายมาตั้งแต่แรกปฏิสนธิเสร็จแล้ว เรานนจึงแก้ไขา ย, ยากสภาพจิตใจอาจจะแก้ไขได้แต่สภาพทางร่างกายจะให้มีอายุยืนยาวเหมือนในยใจคำบุญเรืองนั้นเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนเมื่อตอนวัยเด็กหรือวัยหนุ่มเป็นคนฉุนเฉียวโกรธง่ายแต่พอมีอายุมากขึ้น ปรากฏว่าเป็นคนใจเย็นไม่โกรธใครเลยไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรให้เดือดร้อนสักเพียงไรก็ปล่อยวางได้ให้อภัยได้แต่ถึงกระนั้นบางคนที่ว่าเป็นคนใจดีนั้นก็ยังเป็นคนขี้โรคอายุสั้นเป็นโรคประสาททั้งนี้ก็เพราะคนของวิบากที่เมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโห แต่สำหรับในใจคำบุญเรืองถึงแม้คนเขียนประวัติจะไม่บอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กมีนิสัยใจคออย่างไรแต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าในใจจะต้องเป็นเด็กที่มีอารมณ์แจ่มใสไม่โกรธใครง่ายๆและไม่ใช่เด็กเจ้าอารมณ์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะมีอายุยืนยาวมาถึงป่านนี้ไม่ได้ ในทางพระพุทธศาสนาได้มีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีอายุยืนก็เพราะวิญญาณที่ไปปฏิสนธินั้นเป็นวิญญาณที่ประกอบไปด้วยองค์ของฌานกล่าวคือวิญญาณที่ไปปฏิสนธินั้นโดยปกติมีความนึกคิดเป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่านเลยสามารถที่จะนึกคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียว หรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กําหนดเอาไว้ได้เสมอซึ่งเรียกว่ามีวิตกวิจารณ์และเอกคตาและพร้อมกันนี้ในใจจะมีปีติและสุขหล่อเลี้ยงอยู่เสมอนิวรณ์ทั้งห้าถูกกดให้จมอยู่ในจิตใจส่วนลึกไม่ให้โผล่ออกมาได้เลยหรือไม่เช่นนั้นก็มีกําลังอ่อนมากจนกระทั่งครอบงามจิตใจไม่ได้ คนที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำก็คือคนที่สามารถควบคุมความต้องการหรือความอยากให้เป็นไปตามเหตุผลได้และแม้จะผิดหวังก็ไม่เกิดความเสียใจหรือเกิดความโกรธเกิดความฟุ้งซ่านและจะไม่มีความท้อแท้ความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายต่อการงานหรือเบื่อหน่ายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม จิตใจสดชื่นร่าเรืองไม่หงอยเหงาไม่เสื่อมซึมอาการง่วงนอนจะไม่มีนอกจากจะเป็นในเวลาเช่นร่างกายต้องการจะพักผ่อนเท่านั้นและเป็นคนที่มีความแน่นอนในการดำเนินชีวิตไม่ใช่คนจับจดหรือคนโลเลปัญหาอันใดถ้าจำเป็นจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งและอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ ก็พยายามศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งรู้แจ้งส่วนปัญหาอันใดที่ไม่จำเป็นเพราะไม่สมควรจะรู้หรือยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะรู้หรือเพราะเป็นปัญหาที่ไม่มีประโยชน์เขาก็ปัดออกไปได้โดยง่ายไม่ให้เข้ามาวนเวียนอยู่ในจิตใจนี่คือลักษณะโดยย่อของผู้ที่ไม่ถูกนิวรณ์ครอบ ง, งำ ผู้ที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้ภาวะจิตใจจะต้องเป็นเช่นนี้อยู่เสมอและที่มีอายุยืนก็เพราะจิตใจเป็นอย่างนี้หลักอันนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปพรหมมีอายุยืนมากก็เพราะเหตุนี้แม้เทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกา ม, มาพรจรจะมีอายุยืนยาวอยู่บนสวรรค์จนสิ้นอายุไขของตนได้ ก็ต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนี้หลักดังที่กล่าวมานี้ขอท่านผู้อ่านได้โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษถ้าท่านปรารถนาจะเป็นคนมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพทางร่างกายดีไม่ให้เจ็บป่วยบ่อยหรือถึงแม้จะเป็นบ้างก็รักษาง่ายข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาบ่อยครั้งที่สุดว่า วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากใครจะเกิดมามีอายุยืนอายุสั้นโรคมากโรคน้อยความสำคัญอยู่ที่วิบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนเป็นคนมีวิบากมาดีเหมือนในใจคำบุญเรืองซึ่งนานๆเราจึงจะพบสักคนหนึ่ง ในจำนวนคนหลายพันล้านคนทั้งนี้ก็เพราะนิสัยของคนที่เกิดมาในโลกนี้ยากที่จะมีพื้นมาดีเหมือนในใจหลักอันนี้เป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตาหรือด้วยการปฏิบัติตามหลักอนามัยต่างๆแม้ว่าจะเป็นผลดี แต่มันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเพราะมันเหมือนกับเมื่อเราสร้างบ้านด้วยไม้ที่ไม่ดีเช่นไม้ยางหรือไม้ช่ำฉาและฝีมือก็ไม่ดีถึงแม้เราจะรู้วิธีรักษาบ้านหลังนี้ดีสักเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้บ้านหลังนี้มีอายุยืนยาวไปได้นา น, านแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่า เราสร้างบ้านมาตั้งแต่แรกด้วยการใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ดีเช่นสร้างเป็นตึกใช้อิฐปูนอย่างดีหรือถ้าจะใช้ไม้ก็ใช้ไม้สักหรือไม้อย่างอื่นที่มีความแข็งแรงทนทานและฝีมือในการสร้างก็ดีด้วยบ้านที่สร้างขึ้นมาในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจในวิธีรักษาแต่แน่นอน มันก็ย่อมจะมีอายุยืนยาวกว่าบ้านที่ทำด้วยไม้ยางไม้ฉําฉาดังที่กล่าวมาแล้วโดยธรรมดาความโกรธเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะวิบากของมันก็เกิดในสันดานวิบากของความโกรธที่สะสมอยู่ในสันดานที่มีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆถ้าท่านอยากจะทราบว่า มันมีผลร้ายอย่างไรก็ขอให้สังเกตดูในเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรียวแรงหมดไปการทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติประสาทเครียดซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนเพียงไร่ย่อมขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นคือถ้าเกิดอย่างรุนแรงมาก และเกิดอยู่นานประสาทก็เครียดมากขึ้นไปตามส่วนคนที่ขี้มโมโหระบบการย่อยการหายใจจะไม่ดีการทำงานของหัวใจก็จะผิดปกติเป็นลมง่ายร่างกายสุดโซมเร็วผิวพรรณก็ไม่ดีความโกรธเป็นเครื่องบันทอนสุขภาพของคนเรามากที่สุดยิ่งกว่าความรู้สึกในด้านอื่นๆเช่น ตัณหาราคะหรือความทะเยอทยานสิ่งเหล่านี้ถ้าหากไม่เป็นเหตุทำให้เกิดความโกรธบ่อยๆและไม่เป็นเหตุทาให้เกิดความเสียใจบ่อยๆก็ไม่สู้จะเป็นเครื่องบันทอนสุขภาพทางร่างกายเท่าใดนักแต่โดยปกติคนที่มีตัณหาราคะหรือมีความทะเยอทยานโดยที่มีคุณธรรมไม่พอ ย่อมจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความโกรธง่ายและถ้าหากนิสัยการให้อภัยความเมตตาปรานีมีน้อยมากไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัวความโกรธนอกจากจะเกิดง่ายแล้วยังหายยากและรุนแรงเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทและถ้าหากตัวเองเคยมีวิบากของการประทุสลาย ทุกครั้งที่เกิดความโกรธก็จะยับยั้งตัวเองไม่ได้คือจะต้องมีการทะเลาะวิวาทมีการทุบตีตลอดถึงฆ่ากันความโกรธเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงในเมื่อเทียบกับความรู้สึกในด้านอื่นเช่นความรักเป็นต้นและเราจะพบว่าความโกรธไม่มีประโยชน์อะไรเลยบางคนชอบใช้ความโกรธ เป็นเครื่องมือในการทำให้คนอื่นกลัวและปฏิบัติตามความต้องการถึงแม้ว่ามันจะได้ผลอยู่บ้างก็อย่าลืมว่าเมื่อใช้บ่อยก็จะติดนิสัยกลายเป็นคนที่มโมโหโดยไม่มีเหตุผลความจริงถ้าหากเราเป็นคนใจเย็นและใช้อุบายที่ฉลาดและนิ่มนวลประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา จะทให้คนอื่นกลัวและปฏิบัติตามความต้องการของตัวเองได้ดีกว่าและไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองด้วยอันหนึง่งจงจำไว้ด้วยว่าความโกรธที่เป็นตัววิบากซึ่งมีอยู่ในสันดานนานแม้ว่ามันจะยังไม่แสดงตัวออกมาแต่มันก็มีผลต่อสุขภาพทางร่างกายมาตั้งแต่แรกปฏิสนธิแล้ว การที่คนส่วนมากเกิดมาที่โรคร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมีน้อยอายุไม่ยืนขอให้สังเกตดูว่าคนประเภทนี้เป็นคนโกรธง่ายและบางทีก็โกรธอยู่นานๆแต่บางทีคนประเภทนี้ ซึ่งมีวิบากของความโกรธฝังสันดานมามากตั้งแต่ชาติก่อนนั้นเรากลับพบว่าเป็นคนใจเย็นไม่ขี้โมโหโนั่นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมดีสิ่งที่จะยั่วให้เกิดความโกรธไม่ค่อยมีตังหากและบางคนถ้าดูอย่างผิวเผินก็เป็นคนใจดีเวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจไม่ค่อยแสดงความโกรธ แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นคนมีนิสัยพยาบาทเก็บความโกรธไว้เงียบๆนึกขึ้นมาทีไรก็ยังขุนอยู่เสมอแม้จะเป็นเวลาล่วงมาแล้วนานๆความโกรธที่สุขุมแบบนี้ก็เป็นเครื่องบั่นทอนสุขภาพไม่น้อยเท่ากับเป็นวันโรคทางจิตอย่าลืมเป็นอันขาดว่าความโกรธ แม้จะไม่แสดงออกมาแต่ถ้ามันมีวิบากอยู่ในสันดานมันก็เป็นเครื่องบั่นทอนสุขภาพได้ฉะนั้นคนบางคนที่สะสมวิบากของความโกรธความไม่พอใจเอาไว้มากเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็แลดูเป็นคนใจดีอยู่เสมอแต่แล้วกลับปรากฏว่าเป็นคนที่โรคอายุสั้นก็เพราะเหตุ น, นี้ ถ้ายิงปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้น บ, บ่อยๆพิบากที่มีอยู่แล้วก็สะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อพื้นเดิมก็ไม่ดีอยู่แล้วเมื่อมาประกอบกรรมซ้ำเติมอีกแล้วผลมันจะเป็นอย่างไรขอให้คิดพิจารณาดูเอง จะได้เคยกล่าวมาแล้วว่าชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตอันนี้คือไม่ใช่ร่างกายอันนี้และไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมานี้ชีวิตจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ตายพราตัวชีวิตที่ว่านี้หมายถึงวิบากซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตที่ปรากฏออกมาซึ่งเรื่องนี้จะรู้ได้โดยไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ถึงเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็เพราะตราบใดที่วิบากยังมีอยู่กิเลสยังมีอยู่วิญญาณจะต้องสืบต่อเรื่อยไปและทันทีที่วิญญาณเกิดซึ่งไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรนามรูปจะต้องเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีเมื่อถามตนเองว่า เมื่อร่างกายนี้ตายแล้วเราจะยังอยู่หรือไม่เมื่อความรู้สึกนึกคิดอย่างที่มีอยู่เวลานี้ดับหมดไม่มีเหลือเราจะยังอยู่หรือไม่ก็ได้รับคำตอบออกมาจากภายในว่าตัวเรายังอยู่คนที่สามารถยืนยันถึงคำตอบอันนี้ได้อย่างแน่ใจที่สุดก็ย่อมจะรู้ได้ดีว่าการที่เราจะปรับปรุงชีวิตภายนอก ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับนั้นจะต้องปรับปรุงที่ชีวิตภายในจึงจะเป็นอันปรับปรุงที่ได้ผลจริงๆขอให้เข้าใจว่าชีวิตทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจไม่จําเป็นจะต้องเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชีวิตที่เกิดใหม่อาจจะเร็วกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมก็ได้และอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อย่างมากมาย จนกระทั่งเรานึกไม่ถึงว่าจะดีได้ถึงขนาดนี้แต่เรื่องอย่างนี้คนที่จะมองเห็นจริงๆนั้นต้องเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันและนั่งได้ดีด้วยคือนั่งที่ไรจิตสงบเสมอสําหรับผู้ที่นั่งสมาธิได้ดีและเข้าใจเรื่องชีวิตดีและมีการปล่อยวางอยู่เสมอซึ่งเมื่อทําได้ ก็จะทำให้จิตใจของเขามีแต่ความสบายและสดชื่นอยู่ตลอดเพราะเขาจะไม่เป็นห่วงตัวเองไม่เป็นห่วงทรัพย์สมบัติไม่เป็นห่วงอะไรทั้งสิน้นเพราะรู้อยู่ว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่ตัวเราและของของเราจริงๆและยิ่งกว่านั้นเขาจะรู้ว่าถ้ายิ่งมีการเสียสละมีการปล่อยวางมากขึ้นเพียงไร ก็ยิ่งจะมองเห็นชัดว่าเราจะได้ตัวตนที่ดีกว่าขึ้นไปโดยลำดับการมองเห็นความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าการได้เป็นอะไรหรือรู้อะไรทั้งหลายในทางโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแม้จะเป็นราชาแต่ผู้เดียวในผืนปฐพีแม้จะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือแม้จะได้เป็นจักรพรรด เป็นใหญ่ในโลกทั้งพวงนั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับผลแห่งการบรรลุถึงโสดาบันผู้ที่เป็นโสดาบันก็คือผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้และละศีลพัตตาปรามาตได้การละสักกายทิฏฐิหมายถึงการมองเห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือของของเรา อย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราและถึงแม้ยังละอุปาทานไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราละอุปาทานได้มากขึ้นเท่าไหร่มองเห็นความว่างความไม่มีตัวตนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเพียงไรก็จะรู้สึกว่าชีวิตภายในแจ่มใสและเบิกบานขึ้นเพียงนั้น และจะรู้สึกแน่ใจว่าตัวเราจริงๆนั้นอยู่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายและความทุกข์ต่างๆนี่แหละคือความหมายของคําว่าพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้การละวิจิกิจฉาหมายถึงมีความแน่ใจในคุณค่าของพระรตนาไตรยัยกล่าวคือมีความแน่ใจว่า คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรยาสาวกดังที่กล่าวไว้ในบทสวดมนต์นั้นเป็นความจริงตามนั้นทุกประการและแน่ใจอย่างที่สุดว่าตัณหาอุปาทานคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาอุปาทานเสียได้คือความพ้นทุกข์ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่เป็นทางให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ และแน่ใจอย่างที่สุดว่าแม้ว่าจะเป็นราชามหาเศรษฐีหรือเป็นนักปราดผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามถ้าหากผู้นั้นยังถือศีลไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้และไม่มีปัญญารู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าได้ดตัดสอนไว้แล้วชีวิตอย่างนั้นก็ไม่สู้จะมีค่าเท่าไหร่ เพราะชีวิตยอย่างนั้นจะพ้นทุกข์ไม่ได้จะมีความสมบูรณ์ไม่ได้จะมีความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ได้ความแน่ใจในคุณของพระรัตนาตรายัยและความแน่ใจในคุณค่าของศีลสมาธิและปัญญานี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งไม่ง่อแง่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวใครๆหรือสิ่งแวดล้อมอะไร จะชักจูงให้เป็นอย่างอื่นไม่มีทางทำได้นี่คือความหมายของคำว่าละวิจิกิจชาได้การละศีลพัตาปรามาหมายถึงเมื่อรู้แจ้งแล้วว่าชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือชีวิตที่แท้จริงอะไรคือต้นแห่งความทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ เพราะมีความรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นจะไม่มีความงงง่ายหรือยึดถือปฏิบัติไปตามรัฐธิหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งลัฐธิหรือประเพณีที่ว่านี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือจะมีอยู่ในศาสนาอื่นก็ตามเมื่อไม่มีเหตุผลแล้ว ก็ไม่ยึดถือและปฏิบัติตามแต่ตรงกันข้ามวิธีการใดๆซึ่งจะเป็นของชาติไหนาศาสนาไหนก็ตามถ้าหากเป็นประโยชน์แนนที่จะช่วยให้ตนเองและสังคมก้าวไปตามทางแห่งความพ้นทุกข์ดังที่ตัวเองได้ประจักษ์แจ้งอยู่ในใจแล้วจะปฏิบัติได้เสมอ เป็นคนไม่ติดหรือยึดมั่นอยู่แต่ในรัฐที่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือในความคิดเห็นใดๆแม้ที่เป็นของชาติของตัวเองผู้ดีในหนึ่งคนที่ละศีลพตทาปรามาสได้ย่อมเป็นคนมีจิตเป็นสากลเข้ากับคนทุกชาติทุกาศาสนาได้เข้ากันได้กับสัจธรรม หรือสิ่งที่มีสาระประโยชน์ของทุกชาติทุกศาสนาการเข้าใจคุณสมบัติของภริยาบุคคลอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะพระสังฆรัตานะเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของมนุษยชาติและเป็นที่พึ่งอันสูงสุดการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้พื้นฐานทางจิตใจของเรา ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นแม้ว่าเราจะละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้พยายามอยู่เสมอในการละกิเลสเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อต้องการจะให้กิเลสน้อยลงเพราะเรารู้ซึงแล้วว่าการที่จะทําให้เรามีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่เหนือความตายนั้นไม่มีทางอื่น นอกจากเราจะต้องพยายามปรับปรุงชีวิตภายในให้มีความสดชื่นแจ่มใสไม่ให้มีความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิตเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงซึ่งหมายถึงเบื่อหน่ายในลักษณะของความขี้เกียจหรืออ่อนแอการที่เราจะทําให้ได้ผลอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้อย่างดีที่สุดก็คือ ต้องหันให้เป็นคนมีความเมตตากรุณาในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและพร้อมอยู่เสมอที่จะให้อภัยไม่ถือโกรธไม่อาฆาตพยาบาทต่อผู้ใดและเหนือสิ่งอื่นใดต้องหันให้เป็นคนมีการปล่อยวางด้วยวิธีนี้เท่านั้น ที่จะช่วยชีวิตของเรามีความยืนยาวและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปชีวิตของนายใจคำบุญเรืองเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรปฏิบัติคนอย่างนี้ น, น, นานๆจึงจะเกิดขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งเทพเจ้าขอให้เรื่องที่เทพเจ้าเขียนขึ้นในครั้งนี้จงเป็นเสมือนหนึ่งแสงสว่างซึ่งถึงแม้จะไม่สว่างมากนัก แต่ก็ขอให้สว่างพอที่จะทําให้ผู้ที่อ่านถึงเรื่องนี้เห็นคุณค่าของความเป็นคนไม่โกรธจนกระทั่งถือเป็นหน้าที่ในกิจประจําวันว่าเราจะต้องมันสอนตนเองเพื่อละความโกรธให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นานยัตตราสัพพะปตินิสักขาโสติงปัสสามิปานีนังเรามองไม่เห็นว่า อะไรจะเป็นเครื่องปลอดภัยของสัตว์ทั้งหลายนอกจากการปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงจากพุทพธ์ ที่สิสี่เหตุใดจึงเรียนทำกันไม่ค่อยได้ผลคนส่วนมากมักจะแยกไม่ค่อยออกว่าสมาธิกวิปัสสนามีความหมายต่างกันอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือเพราะไม่รู้ความหมายของคําทั้งสองนี้อย่างชัดเจนจึงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นในที่นี้ ข้าพเจ้าจะขออธิบายความหมายของคำนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในเมื่อเข้าใจคำทั้งสองนี้ดีแล้วเรื่องต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เขียนลงในหัวข้อเรื่องสมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจําวันนี้ก็จะสามารถเอามาใช้ให้เกิดผลดีได้และถ้าหากไม่มีความรู้ในหลักธรรมทั่วๆไปเป็นพื้นมาก่อนแล้วก็ยากที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้คําว่าสมาธิหมายถึงความแน่วแน่ความสงบการมีสติอยู่กับตัวและจิตจะนับว่าเป็นสมาธิก็ต่อเมื่อต้องสงบจากนิวรณ์ทั้งหและมีองค์ของสมาธิเกิดขึ้นลักษณะของนิวรณ์และองค์ของสมาธิข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอย่างง่ายๆแต่อย่างไรก็ดี ขอได้โปรดจาลักษณะง่ายๆไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าในขณะใดจิตของเราสงบความคิดเป็นระเบียบ ม, มีสติอยู่กับตัวคือกำลังนึกคิดอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวได้ทุกขณะว่ากำลังนึกคิดอะไรอยู่และพร้อมกันนี้จิตใจรู้สึกสบายปลอดโปรง่งไม่มีความเบื่อหน่ายไม่มีความท้อแท้ไม่ง่วงนอน ว่องไวแจ่มใสไม่ซึมนี่แหละคือลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งลักษณะที่ว่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนทุกคนถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาใจของเราให้สงบแจ่มใสเหมือนดังที่กล่าวมาไว้ได้ตลอดวันก็ตามแต่ก็ควรจะมีบ้างในบางขณะหรือในบางครั้งบางคราว พราะถ้าหากคนไหนไม่เคยมีใจสงบเหมือนดังที่กล่าวมาก็เป็นของแน่นอนว่าไม่ช้าจะต้องเป็นโรคประสาทซึ่งในเมื่อเป็นแล้วมันจะทรมานเราไม่น้อยเลยการมีเงินมีความรู้หรือมีเกียรติก็ช่วยไม่ได้ถ้าหากพื้นจิตใจเสียถึงขนาดไม่เคยมีความสงบแม้แต่เพียงชั่วขณะและถ้าหากคนไหน ใจิตใจสงบได้เกือบทั้งวันไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็ต้องนับว่าเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้เพราะฉะนั้นการทำใจให้สงบและให้มีความสบายใจอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอันหนึ่งควรจะทำความเข้าใจให้ดีอีกประเด็นหนึ่งกล่าวคือคนบางคนเมื่อเรามองดูอย่างผิวเผิน จากลักษณะภายนอกเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติซึ่งหมายถึงมีจิตใจสบายในใจมีความสงบเพราะสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าดูให้ละเอียดหรือดูด้วยสายตาของคนที่เข้าใจเรื่องสมาธิดีจะดูไม่ยากเลยว่าคนคนนี้จิตใจมีสมาธิหรือไม่มี วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ความสบายใจเป็นส่วนมากหรือมีแต่ความทุกข์ในใจให้เราอาจจะสังเกตเป็นส่วนตัวก็ได้กล่าวคือลองทดลองสวดมนต์สักห้านาทีเลือกอาบทที่จําได้อย่างคล่องแล้วลองสวดในใจเราจะพบว่าในขณะที่นึกสวดมนต์อยู่ในใจนั้นสติจะอยู่กับคําสวดมนต์ได้เพียงไม่กี่คํา คลันแล้วจิตใจก็จะเตลดิดเที่ยวนึกอะไรต่ออะไรไปตามความกดดันที่มีอยู่ในขณะนั้นข้อพิสูจน์อันนี้จะใช้ได้ดีกับคนทุกคนหรือถ้าสวดมนต์กันเป็นหมู่ก็ยิ่งจะพบว่าปากว่าไปได้โดยไม่ผิดแต่ใจจะไม่อยู่กับคำสวดมนต์นี่แหละคือลักษณะของคนที่ไม่มีสมาธิเลย ขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นทีเดียวว่าคนที่ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจให้สงบให้มีสติอยู่กับตัวอย่างน้อยสังห้านาทีก็ทำไม่ได้นั้นแสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจอยู่เกือบตลอดเวลาจะลืมบ้างก็เฉพาะในเวลามีเรื่องสนุกที่ทาให้หัวเราะเท่านั้น และมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มีสมาธิดีจริงๆหรือมีใจสงบอย่างลึกซึ้งนั้นจะเป็นคนหัวเราะยากแต่ยิ้มง่ายแต่ลักษณะนี้จะต้องขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะอย่างอื่นอีกหลายอย่างด้วยเพราะคนบางคนที่มีสมาธิดีแต่หัวเราะง่ายก็มีคำว่าวิปัสสนา หมายถึงการเห็นแจ้งคือความเข้าใจอย่างชัดเจนมองเห็นตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลและเข้าใจความหมายของคำที่ใช้อย่างชัดเจนด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์หรือทดลองอะไรจนเห็นผลอย่างชัดเจนได้หลักเกณฑ์ที่แน่นอนจะเรียกว่าเป็นคนมีวิปัสสนาในเรื่องนั้นก็ได้ ส่วนคนที่มีความรู้ความเข้าใจจากการอ่านตำราหรือจากคำบอกเล่าโดยที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองอย่างเพียงพอจะเรียกว่าเป็นคนมีวิปัสสนาคือมีความรู้แจ้งในสิ่งนั้นไม่ได้สำหรับในทางพระพุทธศาสนาคนที่ใช้ความคิดอย่างธรรมดาเหมือนกับที่ใช้กันในการศึกษา หรือในการทํางานทุกอย่างนั้นไม่เรียกว่าวิปัสนาแม้ว่าจะมีความเข้าใจในสิ่งนั้นเป็นอย่างดีก็ตามพระพุทธศาสนาได้วางหลักไว้ว่าปัญญามีอยู่สามขั้นคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตามายปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือการศึกษา ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากความคิดการพิจารณาหรือการเปรียบเทียบขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายะปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคําว่าภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนา สมถาภาวนาหมายถึงการทำใจให้สงบปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าวิปัสนาภาวนาหมายความว่าเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วจึงเริ่มทำการพิจารณาถึงสภาวะต่างๆภายในจิตใจตามหลักวิชาที่ได้เรียนมาในขั้นของสุตามายะปัญญาและจินตามะยะปัญญา จงสังเกตให้ดีว่าคนที่จะทำวิปัสสนาได้ผลจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในทางหลักวิชามาอย่างดีคือต้องมีสุตตมายปัญญาและจินตามายะปัญญามาก่อนและต่อมาก็ต้องมาพยายามทำใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วทำการพิจารณาหรือคร้ครวญถึงสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว ในขณะที่ใจเป็นสมาธิปราศจากที่วาจริงจริงจึงจะนับว่าเป็นการทําวิปัสสนาจงจําลักษณะให้ดีว่าการพิจารณาในขณะที่ใจเป็นสมาธินั้นจิตใจจะไม่มีวอกแวกเลยความอยากได้ความเป็นห่วงหรือความกังวลถึงสิ่งอื่นไม่มีตกค้างอยู่ในจิตใจเลยแม้แต่นิดเดียว จิตใจว่างจากเรื่องอื่นทั้งหมดมีเฉพาะแต่เรื่องที่กําลังพิจารณาอยู่เท่านั้นและพร้อมกันนั้นความขุ่นมัวความไม่พอใจความหงุดหงิดความรําคาญความเบื่อหน่ายความท้อแท้ความขี้เกียจความง่วงนอนตลอดถึงความลังเลความไม่แน่ใจไม่ว่าในเรื่องอะไร ในขณะนั้นไม่มีเลยจงสังเกตว่าการเจริญวิปัสสนาก็คือการใช้ความคิดในขณะที่ใจเป็นสมาธิจริงๆและถ้าใจเป็นสมาธิจริงๆก็สามารถที่จะนึกคิดอยู่ในเรื่องที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้และพร้อมกันนั้นจะต้องมีปีติและสุข หล่อเลี้ยงจิตใจด้วยนี่แหละคือลักษณะที่แท้จริงของการทำวิปัสสนาซึ่งผิดจากการใช้ความคิดอย่างธรรมดาในชีวิตของคนทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปในเวลาใช้ความคิดมักจะมีนิวร์อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงาอยู่เสมอเช่นมีความกังวลหรือมีความเป็นห่วง มีความหวาดกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทรกแซงอยู่ในใจในขณะนั้นนี่คือลักษณะของกามาฉันทะบางทีก็มีความขุ่นมัวมีความไม่พอใจมีความโกรธแค้นหรือมีความอาฆาตนี่คือลักษณะของพยาบาทบางทีก็รู้สึกง่วงหรือเบื่อนายนี่คือลักษณะของถีนมิธะ บางทีก็มีความคิดฟุง้งซ่านคิดเรื่องนี้ยังไม่ทันจะเข้าใจดีก็กระโดดไปหาเรื่องอื่นภายในจิตใจไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นไม่มีความแจ่มใสสมองไม่โปร่งนี่คือลักษณะของอุทธจกักกุกุจจะและบางทีเรื่องที่นำเข้ามาพิจารณาที่จะใช้เป็นพื้นฐาน หรือเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือลักษณะของวิจิจรฉาคนทั่วไปในขณะที่ใช้ความคิดมักจะมีนิวรน์เหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเข้าครอบงำอยู่เสมอบางทีเราก็ใช้ความคิดในขณะที่มีความดีใจหรือมีความตื่นเต้น ซึ่งเป็นลักษณะของกามาฉันทะการวินิจฉัยปัญหาต่างๆในขณะที่นิวรณ์ต่างๆเขาครอบงำนั้นแม้เราจะรู้สึกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นเรานึกถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแม้จะเป็นความนึกคิดอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักความจริง ก็ได้โปรดจำไว้เถิดว่านี่ไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสนาการพิจารณาที่จะนับว่าเป็นการเจริญวิปัสนาจริงๆจิตต้องสงบจากนิวรณ์ทั้งหมดเช่นเรื่องที่นำขึ้นมาพิจารณานั้นเป็นเรื่องที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้องเข้าใจดีอยู่แล้วแต่เพราะเหตุที่ถ้าใจไม่สงบจากนิวรณ์ ความลึกซึ่งหรือความแจมแจ้งจะมีขึ้นไม่ได้มันเหมือนกับถึงแม้เราจะรู้อยู่ว่าของในตู้กระจกนี้มีอะไรอยู่บ้างแต่ถ้ากระจกนั่นมัวเราก็จะมองเห็นไม่ชัดแต่ก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นการเจริญวิปัสสนาา น, นจะต้องเป็นเสมือนหนึ่งการพิจารณาดูของอย่างละเอียดทีท่วนภายในตู้กระจก ในขณะที่กระจกใสคนทั่วไปที่เป็นนักธรรมคือชอบอ่านหนังสือธรรมชอบฟังเทศฟังปาทกถ า, าธรรมแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีความเข้าใจอะไรลึกซึ้งเลยทั้งนี้ก็เพราะตัวเองไม่เคยแม้แต่ขณะเดียวที่จิตสงบจากนิวรจริงๆและพิจารณาถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้วอย่างดี ในคำพีธรรมบทพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บทหนึ่งว่าญาโตญาโตสัมมะสติขันธานาังอุทยัพยังระตพติปีติปามุชังอมะตันตังวิชาณตังเมื่อใดพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งความเกิดและความดับของขันธ์ทั้งหลายเมื่อนั้นย่อมได้ซึ่งปีติและปราโมด การได้ซึ่งปีติและปราโมทของผู้ที่รู้แจ้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายขอให้พิจารณาพุทธพจน์บทนี้หลายๆครั้งแล้วท่านจะรู้ความหมายของคำว่าการเจริญวิปัสสนาน้นแตกต่างจากการคิดทำของคนทั่วไปอย่างไรประการแรกก็คือถ้าหากเป็นการเห็นแจ้งจริงๆแล้ว ในจิตใจจะต้องรู้สึกเบื่อบานและจำสายทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นการพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกกี่ครั้งก็ตามความเบื่อหน่ายในฐานะที่สิ่งนี้เข้าใจแล้วรู้เรื่องตลอดแล้วถ้าหากจะต้องให้อ่านอีกดูอีกหรือพิจารณาอีกก็จะรู้สึกเบื่อนานจะไม่มีเลยการพิจารณาของคนทั่วไปย่อมอยู่ในกฎอันนี้ แต่การพิจารณาที่เรียกว่าเป็นการจเจริญนิปัพนานา น, นตรงกันข้ามยิ่งพิจารณาก็ยิ่งแจ่มใส ย, ยิ่งขึ้นแม้จะให้พิจารณาเรื่องเดียวกันทุกวันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นก็จะไม่เบือ่อนอกจากจะไม่เบื่อแล้วความรู้แจ้งความรู้สึกประทับใจจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมเลือนไปจากความรู้สึก พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันท่วงทีสติจะมาก่อนกิเลสข้อแตกต่างอันนี้โปรดจำไว้ให้แม่นเพราะคนทั่วไปที่สนใจธรรมนั้นในเมื่อสนใจไปนานนานในที่สุดก็มักเบื่อธรรมพราถือว่าอะไรก็รู้หมดแล้วแต่ความทุกข์ในชีวิตก็ยังไม่น้อยลงไปยังแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ ถ้าท่านเข้าใจความหมายของคําว่าเจริญวิปัสนาดังที่กล่าวมานี้ท่านก็นจะรู้สึกตัวว่าเราศึกษาทำกันผิดทางเพราะได้ใช้เวลากันมาอย่างมากแต่แล้วก็ไม่ได้ผลคนส่วนมากไม่รู้สึกว่าการที่จิตใจของเราถูกกระทบกระทั่งอะไรไม่ได้ถูกขัดใจไม่ได้ผิดหวังไม่ได้เป็นต้องเกิดความทุกข์ เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั้นมันเนื่องมาจากการที่เราไม่เข้าใจซึ่งในเรื่องของชีวิตกล่าวคือเป็นเพราะมีอวิชชาครอบงามอยู่เสมอและเพราะมีอวิชชานี่แหละจึงได้มีตัณหาและอุปาทานก็เกี่ยวอยู่ในสิ่งต่างๆความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะตัณหาและอุปาทานอย่าลืมว่า ตันหาหมายถึงความอยากที่ไม่เป็นไปตามเหตุผลความอยากที่เราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้แต่มันบังคับเราได้อุปาทานหมายถึงความยึดถือในทางที่ผิดตั้นหาอุปาทานเป็นกิเลสที่แทรกซึมอยู่ในความรู้สึกเนึกคิดอยู่ตลอดเวลาตั้นหาอุปาทานก็จะเกิดขึ้นและสืบต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุด ก็เพราะอาศัยเวทนาคือความสุขและความทุกข์รวมทั้งความรู้สึกเฉยเฉยคืออุเบกขาถ้าความสุขและความทุกข์เข้มขน้นตันหาอุปาทานก็เข้มขน้นถ้าความสุขและความทุกข์เกิดขึ้น บ, บ่อยๆในเรื่องไหนตันหาอุปาทานในเรื่องนั้นก็จะพอกพูนและหนาแน่นยิ่งขึ้นจงกระทั่งในที่สุด กลายเป็นบุคคลที่ใช้เหตุผลในเรื่องนั้นไม่ได้เลยความนึกคิดอยู่ในอำนาจของตันหาอุปาทานทุกอย่างจะเข้าใจอะไรก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามแนวของตันหาอุปาทานที่มีอยู่อะไรที่ขัดกับตันหาอุปาทานแม้ว่าสิ่งที่ขัดหรือตรงกันข้ามกับตันหาอุปาทานนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เขาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ตัวอย่างที่ชัดอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีความรักมากก็จะกลายเป็นคนตาบอดคือเข้าใจเหตุผลในทางที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองเคยยึดถือไม่ได้เลย การศึกษาธรรมที่ไม่ได้ผลคือไม่ทําให้ชีวิตจิตใจของตัวเองดีขึ้นก็เพราะเขายัางใช้เหตุผลไม่ได้เขาฟังธรรมหรือเรียนธรรมแต่ครั้นแล้วเขาก็แปลความหมายของธรรมไปตามกิเลส ข, ของตัวมันเหมือนกับเจ้านายบางคนที่ตกอยู่ในอํานาจของคนประจบสอพลออย่างสิ้นเชิงคนประจบสอพลอ จะชักจูงไปทางไหนก็ไปได้ทุกอย่างส่วนคนที่หวังดีเมื่อเขาเห็นว่าเจ้านายทำผิดแม้จะพยายามพูดชี้แจงอย่างไรในเมื่อคำชี้แจงนั้นไปขัดกับคำแนะนำของคนที่ประจบสพอพอเจ้านายเ็จะมองไม่เห็นถึงความจริงและความหวังดีของอีกฝ่ายหนึ่งจิตใจของคนทั่วไปมักจะเป็นอย่างนี้ ยากนักยากหนาที่จะใช้เหตุผลได้อย่างอิสระทั้งนี้ก็เพราะจิตไม่เคยสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าการศึกษาธรรมโดยไม่ได้อาศัยสมาธิจึงไม่มีทางที่จะทำให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำให้แก้ปัญหาไม่ได้การเจริญวิปัสสนาซึ่งหมายถึงการพิจารณาธรรม ในขณะที่ใจเป็นอิสระจากนิวรณ์ซึ่งในขณะนี้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปาทานจึงทำหเห็นแจ้งได้ง่ายและได้ผลในการระงับความทุกข์แม้แต่การพิจารณาเรื่องง่ายๆที่รู้กันดีอยู่แล้วเช่นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็จะได้ผลทุกครั้ง ในการแก้ปัญหาและในการกาจัดความทุกข์เช่นเมื่อมีคนที่รักตายจากสำหรับคนที่เคยเจริญวิปัสนามาแล้วซึ่งหมายความถึงว่าเคยพิจารณาถึงเรื่องนี้ในขณะที่ใจสงบจากนิวรณ์ซึ่งทำให้เกิดปีติและปรามโมดมาแล้วความเข้าใจในเรื่องนี้ประทับใจอยู่เสมอสำหรับคนประเภทนี้ เมื่อนึกขึ้นมาว่าความตายเป็นของธรรมดาวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันเพียงแค่นี้แม้จะเป็นการนึกเพียงครั้งเดียวก็จะได้ผลทันทีคือจะระงับความเศร้าโศกได้แต่ตรงกันข้ามคนที่เคยฟังเทศเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมานับครั้งไม่ถ้วนจำเจมาจนกระทั่งรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะได้ยิน บ, บ่อย แต่ไม่เคยพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ในขณะที่ใจสงบจากนิวรณ์ไม่เคยมีปีติปราโมดหรือความสลดใจที่เกิดจากการพิจารณาก็เป็นการแน่นอนว่าถ้ามีคนที่รักตายจากแม้จะพยายามพิจารณาอย่างไรหรือจะมีคนมาเตือนสติสักเพียงไรก็ระ ง, งับความเศร้าโศกไม่ได้ อันนี้เป็นประเด็นที่นักธรรมควรจะสนใจกันให้มากเราได้เสียเวลากับการศึกษาธรรมกันมานานแล้วแต่ไม่ได้ผลเพราะเราไปมัวสนใจอยู่กับการอ่านการฟังหรือการถกเถียงธรรมกันเพื่อที่จะเอาชนะกันวิธีการเหล่านี้ถ้าหากจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ในฐานะที่มันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาสู่การปฏิบัติซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงจะต้องหัดทำสมาธิให้ได้ก่อนอย่างน้อยก็รู้จักทำใจให้สงบจากนิวรณ์บ้างเป็นครั้งคราวและหยิบธรรมขึ้นมาพิจนารณาในขณะที่จิตเป็นสมาธิต้องด้วยการปฏิบัติแบบนี้เท่านั้นธรรมจึงจะมีผลในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ตั้นหาอุปาทานคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตั้นหาอุปาทานเปลี่ยนเมื่อโรคร้ายชนิดที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเป็นวันโรคซึ่งทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและไอยอยู่เสมอสมมติว่าถ้าจะมียาขนาดใดซึ่งได้มารับประทานเข้าไปแล้วทําให้ความอ่อนเพลียค่อยๆหายไปการไอก็ลดลง ถึงแม้ว่ายานั้นจะขมสักเพียงไรแต่ถ้าหากว่ามันได้ผลที่ตัวเองเห็นได้ชัดเช่นนี้เขาก็จะไม่เบื่ อ, อยานั้นและในเมื่อเคยชินแล้วก็จะไม่รู้สึกขมมากเหมือนเมื่อก่อนและตราบใดที่โรคยังไม่หายและทุกครั้งที่เัาประทานยามันก็บรรเทาอาการอ่อนเพลียบรรเทาอาการอายได้ทุกครั้ง เขาก็จะต้องรับประทานยานี้ตลอดไปก็ตันหาอุปาทานที่ฝังอยู่ในสันดานของคนเรานี้มันเรื้อรังยิ่งกว่าโรคทางกายหลายร้อยหลายพันเท่าและก็มียาอยู่ขนาดเดียวเท่านั้นที่จะบรรเทาได้คือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทมที่ว่านี้อย่าลืมว่าเราจะต้องนํามาพิจารณา บ, าบา่อย และต้องเป็นในเวลาที่จิตสงบจากนิวรณ์จึงจะเห็นผลชัดเพราะในขณะที่เราซึ้งถึงเรื่องความแก่เจ็บตายซึ่งในเรื่องกฎของกรรมซึ่งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทความซึ่งในธรรมเหล่านี้จะช่วยบรรเทาทำให้ตัณหาอุปาทานที่ฝังอยู่ในสันดานค่อยๆน้อยลงไปเพราะตัณหาอุปาทานน้อยลงนี่แหละ จึงได้รู้สึกสบายขึ้นจิตใจแจ่มใสเบิกบานขึ้นทุกครั้งที่เราเจริญวิปัสนาซึ่งหมายถึงการพิจารณาธรรมในขณะที่ใจเป็นสมาธิจะต้องได้ผลเช่นนี้ทุกครั้งฉะนั้นเราจึงไม่เบื่อแนที่จะพิจารณาธรรมหัวข้อเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกและยิ่งกว่านั้นแม้เราจะรู้สึกว่า จิตใจของเราแจ่มใสและเบิกบานขึ้นแต่ตัณหาบาทานมันก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดไปจากสันดานและในเมื่อมันมีเชื่อเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมันก็พร้อมที่จะกำเริบเจริญเติบโตขึ้นมาอีกทุกขณะในเมื่อเราเผลอสติในเวลาที่กระทบกับอารมณ์อันก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่จเจริญวิปัสนาได้ผลมาแล้วจึงต้องทำอยู่เสมอตลอดเวลาทุกอิรยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอันใดที่เขาเคยได้ผลมาแล้วทั้งที่เข้าใจดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะนึกได้ บ, บ่อยๆและเป็นที่น่าสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งว่าทำที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนั้น ความจริงมีไม่กี่หัวข้อเลยถ้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นคำพูดเพียงประโยคเดียวว่าอย่ายึดถือแต่บางคนก็อาจจะมีสำนวนอย่างอื่นแต่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันเราเรียนทากันมามากเสียเปล่าเสียเวลากันมากมายแต่แล้วเอามาใช้ไม่ได้ ก็เพราะไม่สนใจในการทําสมาธินี่คือจุดอ่อนของนักธรรมทั่วไปที่จะต้องแก้ไขสถานฝึกสมาธิที่ได้มาตรฐานตลอดถึงครูอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนจะต้องเพาะหรือสร้างให้มากกว่านี้อีกไม่เช่นนั้นการสอนสาศาสนาซึ่งเวลานี้แพร่หลายมากก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร